เมื่อคิดลงไปในจุดเดียวนี้บ้านก็เป็นบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเช่นเดียวกันกันกบอุปสงค์ที่เราคิดว่าเราจะต้องทำสมาธิเนี่ยให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ที่แรกก็คิดว่าจุดประสงค์ต้องการสมาธิจุดประสงค์ต้องการบุญจุดประสงค์ต้องการวิปัสสนาจุดประสงค์ต้องออการแผ่ส่วนกุศลเราก็ว่าไปแต่มันหลายจุดประสงค์ทีนี้ เราก็ลดจุดประสงค์ทั้งหมดนี่ให้กลายเป็นอุประสงค์ก็คือยืนยันลงว่าเราจะทำกิจเนี่ยให้สงบเป็นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอุประสงค์เพราะฉะนั้นอุประสงค์เนี่ยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในที่เรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นความสำเร็จอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอุประสงค์้วยเหตุดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องย้ำอุปสงค์คือสมาธิเพราะว่าคําบริกรรมนี้จะเป็นนคําที่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นในการที่จะทําให้เกิดเป็นสมาธิแม้จะยังไม่เป็นตัวตนแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ได้ก่อขึ้นแล้วเรียกว่เป็นจุดก่อตัวทีนี้การจุดก่อตัวเนี่ยถ้าหากว่าเราทําไม่ดี จุดก่อตัวนี่มันจะสลายตัวเมื่อสลายตัวแล้วทีนี้มันจะมาก่อตัวอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำจุดก่อตัวนี่ให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียหายจึงได้มีวิธีการต่างๆมาจนกระทั่งถึงข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดก็ว่าด้วยการวางจิตขณะบริกรรม การวางจิตขณะบริกรรมนั้นเราจะมีหลักการอยู่สามประการหลักการสามประการคือเมื่อบริกรรมอยู่จิตอยู่ณนะคําบริกรรมนั้นเมื่อบริกรรมอยู่เนี่ยจิตจะอยู่ที่คําบริกรรมนั้นคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าพุโทโธแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็จิตไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าเมื่อพุโทโธอยู่จิตก็ต้องอยู่ด้วย ไม่ใช่เล็กแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร เ, เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองคาบริกรรมนั่นก็จะไม่มีความหมายเพราะนั่นการที่เราจะใช้คําว่าวางจิตเนี่ยคือจิตนี้จะต้องอยู่ในคําบริกรรมไปตลอดหมายความว่ามีสติแต่เมื่อเวลามันขาดไปเราก็ไม่ว่ากันเราก็กลับมาตั้งหมายได้ข้อที่สอนคือความศรัทธา คือความเชื่อเชื่อว่าคำบริกรรมอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สามารถนําเราไปสู่สมาธิได้จริงถ้าศรัทธาตัวนี้ไม่มีไม่เข้าใจไอ้คำบริกรรมเนี่ยไม่รู้บริกรรมไปทําไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าโยกบริกรรมไปก็โยกบริกรรมมาไม่อยู่เนี้ยไม่อยู่คงที่แทนเรื่องว่า ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมัน่นเพราะว่าความเชื่อมั่นตรงนี้เราต้องใช้ความเชื่อที่มีลักษณะว่ามั่นคงคําว่ามั่นคงนั่นก็เรียกว่าแน่ใจว่าการบริกรรมเนี่ยได้เป็นผลที่จะทําให้เราได้รับคุณงามความดีจริงๆบางทีเราก็นึกบริกรรมไปแต่ว่าไม่รู้ว่า นึกบริกรรมไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรไม่เข้าใจแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันดีถือว่าสิ่งเนี้ถูกต้องแล้วทีนี้ข้อที่สามก็คือเมื่อมีจิตสร้างพร้อมไว้ด้วยความระมัดระวังเมื่อเราเริ่มเนื้อพุโทโธก็ถือว่าเราจะต้องมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะ สมาธัญญาคือตัวระวังสติคือความรู้เวลาที่เราบริกรรมนั้นมันจะมีสติเป็นความรู้และมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวคอยระวังเ้าเรียกว่าสมัมปชัญญะสมาธัญญานี่คือตัวระวังถ้ามีอยู่สามประการนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้วางจิตไวในทางที่ถูกต้องแล้วคือหายไวคาว่า หงายไว้นั่นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยจะเป็นภาชนะเหมือนกันกันกบน้ําที่ตกลงจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินใครต้องการน้ําเขาก็ตั้งภาชนะขึ้นแต่เขาไม่ได้คว่ำเขาต้องหงายหงายภาชนะขึ้นแมืหงายภาชนะขึ้นแล้วฝนที่ตกลงมามันก็เต็มภาชนะสูงความตั้งใจทุกหยดมันจะหยดลงไปสู่ ภาชนะที่เราต้องการเช่นเดียวกันกับผู้ที่การวางจิตในขณะบริกรรมซึ่งพลังกำลังจะไหลลงสู่จิตนี่แหละที่จำเป็นจะต้องศึกษาและวางแผนรองรับพลังสมาธิจากคำบริกรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถรับพลังได้ทุกหยดตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินสมาธิ อันเป็นจุดประสงค์ติแท้จริงคือถ้าหากว่าเรานั้นได้ฟว่ำภาชนะไปคือหมายความว่าศรัทธานี่ไม่แน่นอนก็เหมือนกับคนคว่ำภาชนะแล้วาการที่พลังจิตจะไหลไปทุกหยดนี่มันก็ไม่ได้เพราะว่าภาชนะสะแคงไม่ตั้งตรงตะแคงก็ยังดียังได้บ้างแต่ถ้าคว่ำเลยก็กดไปเลย อย่างนี้เป็นต้นและเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าใจของคนเราเนี่ยชอบสร้างคือสร้างปมขึ้นสร้างปมขึ้นในใจของเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างปมให้แก่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าสร้างเงื่อนไขเงื่อนไขนี้จะต้องถูกมัดเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนไปสำหรับใจของคนเราเนี่ย เมื่อมัดไปเงื่อนหนึ่งมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์อย่างหนึง่งเมื่อมัดไปเงื่อนหนึ่งมันก็ทำให้เราเกิดความกังวลไปอย่างหนึ่งเมื่อมัดไปอีกเงื่อนหนึ่งมันก็เกิดความท้อแท้ไปอีกอย่างหนึง่งคือไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มันไม่ใช่ใครอื่นหรอกคือตัวของเราเป็นผู้ที่สร้างเงื่อนไขให้แก่ตัวเราเองเมื่อสร้างเงื่อนไขขึ้นมาแล้ว ก็ไม่พยายามที่จะแก้เงื่อนไขเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยให้ใจเนี่ยสร้างเงื่อนไขขึ้นมาไม่รู้จะกี่ปมทีนี้ไอป้ปมเหล่านี้ไอ้เงื่อนไขเหล่านี้ที่ใจของมนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยสมาธิจะเป็นเครื่องแก้ไขปมเหล่านี้ออกไปทีละปลอกละปลอกเพราะว่าการแก้ไขเงื่อนไขเนี่ย มันจะเป็นอัตโนมติในตัวของมันเองเช่นเมื่อเราสร้างพลังจิตขึ้นไประดับหนึ่งมันก็ไปแก้ไขของมันเองในระดับหนึง่งเมื่อเราสามารถทำสมาธิต่อไปได้อีกมันก็ไปแก้ไข เ, เงื่อนไขเหล่านั้นพวกปมเหล่านั้นออกไปเป็นเปล่า ฉะนั้นจึงปรากฏว่าเมื่อเราแก้ไขอันดับแรกคือเราไม่สร้างเงื่อนไขกับคําบริกรรมเราไม่สร้างเงื่อนไขกับการที่เราสร้างคําบริกรรมขึ้นใ น, ใ น, ในการทําสมาธิเงื่อนไขอันนี้ก็ถูกแก้ไปเป็นอโตโัตโนมาติถ้าหากว่าใครยังมาสร้างเงื่อนไขอันนี้อยู่เพราะนั่นก็จะต้องเป็นปม เธอไม่สามารถที่จะผ่านเมื่อไม่สามารถผ่านก็เรียกว่าตัวของบุคคลคนนั้นได้สร้างเงื่อนไขขึ้นการทำสมาธิคือการแก้เงื่อนไขของใจเป็นระยะไปจึงเป็นหน้าที่ของสมาธิที่จะต้องจัดการกับเงื่อนไขเหล่านั้นให้หมดไปเป็นระยะระยะ้วยเหตุผลดังกล่าววิธีการทำสมาธิจึงต้องมีการรัดกลุ่มมิัา น, น แทนที่จะแก้เงื่อนไขของใจกับเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาอีกอย่างการทำสมาธิเนี่ย เ, mm hmm. เราก็บอกว่าการบริกรรมต้องทำอย่างนี้ mm hmm. การบริกรรมต้องทำอย่างนี้แต่บุคคลที่ข mm hmm. าดศรัทธาคือความเชื่อตัวนี้แล้วก็สร้างเงื่อนไขว่าการทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะถูก อันนี้คือการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาทีนี้แทนที่จิตเนี่ยจะเดินต่อไปเป็นเรื่องของสมาธิก็กลับคืนมาเอาเรื่องเงื่อนไขเนี่มาเป็นเรื่องของอการที่มาทําจิตใจของเราให้รุนแรงดังนั้นการวางใจในขณ ะ, ะที่ทาบริกรรมจึงต้องมีหลักการในเมื่อเริ่มทาบริกรรมการวางใจณนะนะที่ทาบริกรรมนั้น จึงต้องมั่นคงไม่เรรวนจะทำให้การเดินสมาธิไปอย่างราบรื่นเมื่อพบว่าความโปร่งใสเกิดขึ้นถือว่าเราได้วางใจไว้ในที่นั้นถูกต้องแล้วเราก็เกิดความสบายนั่งที่ไรก็บสบายที่นั่นนี่หมายความว่าเงื่อนไขอันนี้หมดไปแล้วแต่ทีนี้เงื่อนไขต่อไปก็คือว่าทำอย่างไรจิต ของเราถึงจะก้าวหน้ามาถึงขั้นเรียกว่าสะสมพลังจิตได้มากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องสังเกตในตัวของเราว่าเราได้ตั้งใจอยู่จุดนี้ที่ไหนและได้ตั้งอย่างไรถึงมาถึงเป็นเช่นนี้ได้จดจำเอาไว้ในใจของเราเหมือนกันกับเราเข้าห้องนอน เราต้องจำถึงประตูว่ามันจะเข้าผ่านไปทางประตูมันเป็นอย่างไรเพราะว่าประตูนั้นถึงยังไงเราก็ต้องชำนาญอยู่แล้วเพราะว่าประตูห้องเนี่ยเราก็เข้าไปกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงแม้ว่าเราจะชำนาญในประตูก็จริงเราก็ต้องมีข้อสังเกตว่าเราจะเข้ากรงประตูถ้าเราเข้าผิดมันก็ชนฝา แต่เราเข้าถูกมันก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตของเราได้เกิดการโปร่งใสแล้วก็เกิดความสงบขึ้นถือว่าเราเข้าถูกประตูแล้วเมื่อเราเข้าถูกประตูเราก็จะต้องจําประตูนั้นไว้เพราะว่าประตูอันนี้คือประตูที่จะเข้าสู่ความจะเข้าสู่จิตที่สงบหรือเรียกว่าจิตรวม ที่จะเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าการที่เราทำจิตของเราให้สงบแ ล, ล้วรวมลงไปนั้นเราต้องจาได้ว่าลักษณะที่จิตของเราสงบเนี่ยเราได้ทำอย่างไรเราจาได้แน่เมื่อจาได้แน่เราก็เดินไปสู่จุดนั้นอันนี้ถือว่าเราได้แก้เงื่อนไขต่างๆที่เราได้มัด เป็นปมเป็นเงื่อนไขที่จิตของเราได้สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เกิด เ, เ, เกิดการผูกมัดตัวเราเองทีนี้ดังนั้นการวางคำวบริกรรมพร้อมทั้งกําหนดจิตจึงเป็นมาตรฐานการดําเนินจิตในขั้นต้นสําหรับผู้ทำสมาธิห้ามมองข้ามข้อนี้เป็นอันขาด เรัะถ้าไม่เข้าใจในตรงนี้จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แก่เราโดยไม่จำเป็นที่ต้องการให้เข้าใจในตรงนี้ให้ชัดเจนก็เพราะไม่ต้องการให้ผู้ฝึกสมาธิในเบื้องต้นต้องพบกับความสงสัยเนื่องจากความงสงสัยเป็นทางที่จะทำให้เกิดการชะงักงนันหากเข้าใจผิด จะเดินทางไปสู่ความอแท้ต่อไปได้บุคคลวางแนวทางการสร้างบ้านเรือนถ้าหากว่าผิดสเปคคือว่าผิดตั้งแต่แบบแผนในการที่วางผังตั้งแต่ต้นเช่นเข็มที่จะรองรับน้าหนักอาคารผิดที่ผิดตำแหน่งเล็กไปสั้นไปการรองรับน้ำหนักของอาคารรับน้ำหนักไม่ได้ ก็เป็นการสร้างเงื่อนไขความเสียหายก็จะตามมาเหมือนกับการวางใจในขณะบริกรรมด้วยความคิดของตอนเองที่จะวางจิตที่ผิดแล้วก็ยังเข้าใจว่าถูกถ้าหากเาวางไปผิดเช่นอย่างพวกโยโคีบางจำพวกก็ดีหรือว่าผู้ที่ทาสมาธิบางท่านก็ดี เอาสมาธิเนี่ยไปวางไวท้ที่สิ่งที่ไม่ถูกนะ่ะวางทีกลายเป็นไสยศาสตร์อกลายเป็นโอ้เยอะแยะสมาธิไสยศาสตร์ก็ทําอะไรต่ออะไรถ้าพูดไปเรื่องของไสยศาสตร์ก็เยอะแยะไอ้เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันมาเข้าเรื่องกับสมาธิ ด้วยเหตุดังกล่าวการทําสมาธิที่เป็นหลักสูตรครูสมาธินี้จึงมุ่งไปทางพลังจิตจําเป็นต้องวางจิตโดยกําหนดผู้รู้เอาไว้ในเบื้องต้นอันจะเดินทางต่อไปที่เป็นความสงบชนิดเป็นฌานแล้วก็ทําจิตเข้าสู่จุดพลังอํานาจอันเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานและจะยังทําให้จิตมีเมตตาเป็นที่ตั้ง แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมให้มีความสุขโดยไม่ต้องพบกับความผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่วางจิตลงไปสู่อุปสงค์อุปสงค์จะทำสมาธิก็จริงแต่ว่าทำสมาธิเป็นใสยศาสตร์ไปเสียอย่างเนี้ยพอทำเป็นไสยศาสตร์ไปจิตมันก็หลงไปในทางสารพัศไยศาสตร์เดี๋ยวทำให้ เออคนโน้นรักคนนี้ทำให้คนนี้เกลียดคน น, น้นหรือว่าทำเอาใส่ทาอะไรต่ออะไรก็มีบิดไส้บังฟันอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ลูกกสุนคตก็มีอา่อาไอ้ลูกกสุนคตเนี่ยหลวงพ่อเห็นกับตาเองแต่ทีนี้ก็เลยไม่เอาใจใส่เพราะว่าถ้าทำไปทางนั่นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของ ศาสตร์แล้วก็จะทำให้เกิดอดความวิปริตไปเช่นครั้งหนึ่งหลวงพ่ออายุประมาณสักสิบขวบเพนจะไดะ้โยมพ่อเนี่ยไปเรียนไสยศาสตร์มาแล้วก็มาชวนโยมแม่มา น, นี่มา น, นี่จะทำอะไรให้ดูสักอย่างให้เราก็ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กเราดูผมไปดูด้วยก็อ้อาวไปก็ไปสิ ก็ไม่มีใครหรอกพี่น้องทั้งเจ็ดคนก็ไม่มีใครสินใจก็มีหลวงพ่อคนเดียวก็เดินตามไปวันนั้นเขาจะลองศยลศาสตร์ดูพลองดูจริงๆด้วยแกก็มีปืนลูกโดดเขาไม่ใช่ปืนเป็นนะไม่ใช่ปืนลูกจองแต่เป็นปืนลูกโดดยิงไปลูกเดียวทีนี้แกก็บอกว่าแกจะยิงเอมาคุง มะละกอเว้ยยิงมะละกอใครเดนน่กระสุนลูกคดจะถูกมะละกอไหมแกก็แรงไปนี่อ้าวแล้วมนก็นอนลูกมะละกอมะแรงมีทําไมอะไรเนี้ยแกก็ยิงเปรี้ยงเดียวลูกกระสุนไปติดลูกมะละกอเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกวิาวชาลูกกระสุนคดหลัก็ไม่ได้เอาใจใส่หรอเห็นก็เห็นไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าหากวามุ่งเขาเรียกว่าวางใจวางคำบริกรรมเนี่ยวางไปในทางนั้นแล้วเนี่ยผิดไปเลยด้วยเหตุดังกล่าวหลวงพ่อจึงไม่ต้องการไอ้เรื่องผิดๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นขึ้นต้นมาทางสมาธิเราก่อนที่จ ะ, ะสมาธิจะต้องถามว่าใครเป็นผู้รู้น่ย อันนี้เป็นเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันว่าจะไม่ให้เราไปในทางไสยศาสตร์เป็นตัวประกันว่าจะมาาไะจะม่ให้เราเดินไปในทางที่ปิดเป็นตัวประกันที่จะทำจิตนี้ให้เข้าสู่จุดพลังอำนาจอันเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานและยังทำให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งอันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมอันนี้ก็เป็น ที่มีอยู่ก็อันนี้เราคงอธิบายอยู่ย่อๆอันนี้ก็เป็นชิดที่มีอยู่ก็พูดกันอย่างเนี้ยแต่ที่เนี้ยชิดอันนี้เขียนไปเขียนมาไม่รู้มันหายไปไหนหมดแต่ก่อนเคยเก็บเล่นเดี๋ยวนี้ไม่เก็บหลวงพ่อก็เลยว า, ว, วางไว้วางไว้บนโต๊ะก็ต้องไประดับเอามาแล้วก็เอามาพิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วก็เอาแจกอันนี้คือพิเศษจาก ที่เขียนไว้ในตำราเนี่ยอันนี้จะเป็นพิเศษที่จะมาวิเคราะห์อันนี้ให้กระจ่างแจ้งต่อไปวันนี้ก็ต้องเป็นนี่ต่อไปที่จะต้องพูดว่าเมื่อออกจากเมืองเขเมรไปพบที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วทำยังไงต่อไปก็เมื่อพระอาจารย์ท่าน พักอยู่บนบ้านเป็นบ้านร้างแต่ว่าญี่ปุ่นขึ้นไปขี่อยู่บนนั้นตื่นเช้ามาท่านก็บอกว่าดมขี้ก็ดีเหมือนกันอรองทุกขังอ น, นิจังนัก ต, ตาท่านก็คงแก้ตัวไปวันนี้เราเดินทางอย่างน้อยที่สุดเพราะว่าจะต้องไปถึงบ้านตาโตนจากนี้ไปสี่สิบแปดกิโล โอ้โห oh, oh, oh, 48กิโลนี่น่าดูก็เลยตกลงว่าเมื่อเดินทาง48กิโลนี่มันต้องมีน้ํากลางทางเพราะว่ายังไงเสียถ้าหากว่ายังไงเราก็ยังมีน้ํารองท้องไม่เป็นไรเราก็เอาก็ติดใส่น้ำํำดิบดีแล้วก็ตะภายออาจารย์ไม่ตะภายเราก็ตะภายเพราะว่ายังไงก็ อาจารย์ก็บอกว่าแกอยากจะไปพบหลวงปู่มั่นแกก็ต้องท ร, รมานตัวแกหน่อยอาจารย์ก็เดินตัวเปล่าเราก็แบกกรดสองอันบาทสองลูกแล้วน้ำอีกกระติกหนึ่งไปถึงกลางทางเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วฮะล้วก็แอบอน้ำมาถึงก็ดื่มครับนะนะไปยีงหน่อยก็ดื่มครับนะ แเราจะพายแล้วก็ดื่มทีเดื่มไปเดิมมาเอ๊ะมันหมดกระติก้นเมื่อไหร่นีๆๆ่เลวทีนี้พระอาจารย์ท่านก็บอพอไปถึงแล้ววิทยังนั่งตรงนี้เถอะว่าอย่างนั้นอ้าวนั่งตรงนี้ก็นั่งไม่ว่ากันไหนเอาน้ามาทีเออจบหมดแล้วครับแกนี้มันอย่างนี้เองว่าอ่างั้นนะเพราะฉะนั้นแกต้องไปหาน้าให้ฉัน ้นเราก็เดินไปก็ไปเห็นหนองน้ํานึงก็ดีใจพอไปเห็นโอ้ยทางล่างมันขี้ควายเท่านั้นอ่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเออมัรรมกรบถ้ามันมีธรรมะกรบเพิ่ผ้ากรองถึงกรองขึ้นมาอย่าให้ตะกรอนมันขึ้นแล้วก็เอามาใส่แก้วกรองขึ้นมาใส่กระติกเสร็จแล้วได้ล้วขันน้ําั้แต่ถาวายท่านท่านก็กินเอ้ ท่าแม่ทําแม่ ง, มงโวยแล้วนมันมาจากไหนมาจากหนองนู่นแล้วมันเป็นยังไงบอกว่าข้างล่างมันขี้ควายทั้งนั้นนะอ๋อท่านก็ทํ า, าหน้าตาน่าเฉยๆนะอืมท่านบอกว่าเฮ้ยพิทยังเฮ้ยขี้ควายเนี่ยมันเป็นยานะว่าอย่าง้าเรียกว่ายาเย็นเอไป อ๋อยาเย็นก็ดีสิผมออมากๆเราก็กินนไปเต็มอิ่มเลยทั <laughs> ้งกรหลกเาอยู่คนเดียว <laughs> เราเนี่เสียทีนึงหลวงพ่อสแน้วจ็เจ็บหลวพ่อกินน้ำที่ควาย <laughs> ลราจะน้ำที่ควายไปด้วย <laughs> อ่านี่เราคิว่า อาจารย์มนะันต้องเหนือลูกศิษย์แบบเนี <c oughs> ้เราเดินเงินต่อไปว่าแงบบนั้น <c oughs> พอดีถึงตัดตนก็พอดีข่้นก็เลยจำวัดอยู่ที่นั่นกลางกดอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินสี่สิบห้ากิโลนะกลางกดเสร็จแล้วพี่ยังทำไมครับบีบมแบบัน <c oughs> โอ้โหอ้ออาบีบเป็นบีบ เราก็บีบต่อไปอยังไงสะก็ต้องจบตอนนี้ก่อนเอาไว้ตอนหน้าตอนใหม่ เ, เดี๋ยวจะพาเค่นดอยอิน้นนทนะยังไงก็ได้รลอนะแล้วลู้ศิษย์อาจารย์ขอเชิญคุณพรพิมลรัตนานุภาพ กราบนมรสการพระอาจารย์ค่ะเอ่อคือสิทธ์มีเรื่องทุกข์ใจมากนะคะเมื่อหลายเดือนที่แล้วสิทธ์ได้ทับแมวตายไปห้าห้าตัวค่ะเสร็จแล้วก็ต่หลังก็ได้ทําสันธานนะคะแล้วก็แผ่ส่วนบุญบุญสไปให้ทีนี้เอ่อคนโบราณก็เคยบอกว่าทับแมวตายเป็นหนึ่งตัวก็เหมือนจะค่าเนรเป็นหนึ่งรูปอะค่ะทีนี้สิทธิ์สิทัวมากนะคะไม่ทราบวา่าเป็นเรื่องนีจริงหรือเปล่า ภาพจริเนี่ยอยากให้อาจารย์ท่าอาจารย์ช่วยทำยังไงให้ช่วยแก้ให้สิบด้วยค่ะอ่ะเาเราขับรถไปเหยียบแมวตายแมวมาอยู่แถวบ้านนะคะอยู่ใต้ท้องรอค่ะอ่าขับร ถ, รถเหยียบแมวตายไม่มีบาป <c oughs> แต่ถ้าเหยียบแมวเป็นมันจะมี <laughs> ตอนที่ภาพนั buffer, ้น um, มันเป็นอยู่ว่าม่นไม่คือกลิ่นกลัวบาปมากนะคะเพราะเยี่ยมนะเยี่นะเป็นอันเป็นอันว่าเราเอยู่ที่เจตนา แต่ว่ามันไปอยู่ใต้ท้องเนี่ยเราไม่ต้องการจะให้มันตายนะแต่มันไปอยู่ใต้ท้องเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพราะฉะนั้นบาปมันก็ลดไปสักกว่าครึ่งสมมติว่าแมวตัวเนี้ยมันตนนักเอาไม้ตีตายเลยอย่างนี้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ทีนี้พอเวลาที่เราไม่ได้มีเจตนาแต่ว่ามัน ไปอยู่ท้องรถ ด, ด้วยเหยียบไปโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้บาปก็ลดไปกว่าครึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีบาปอยู่แต่ว่าวิญญาณแมวตายแล้วก็ต้องกลายไปเป็นวิญญาณแต่แมวไม่ได้มีความย่ยี่งใหญ่ไปกว่าสัตว์อื่นๆมันก็เหมือนกันกับสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็เป็นวิญญาณดวงหนึ่ง เมื่อเราทำบุญไปแล้วเนี่ยมากเท่ามากเท่าเนี่ยมันก็เป็นการอาโหสิกรรมกันได้ก็ เ, เปรียบเหมือนกับว่าหมาไล่เนื้อเมื่อไล่ไปไล่มาแล้วไล่ไม่ทันก็หมาก็กลับนี่เขาเปรียบเขาเรียกว่าอาโหสิกรรมได้ในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบแต่ว่าเราก็ได้ทำส่วนกุศลไปแล้วก็ขอให้สบายใจได้แต่ตอนนั้นเห็หลวงพ่อบอกว่า ซะนะคะไม่ตั้งใจเหยียบเพียรตายนะคะในที่สุดก็โดนในทานณีตายอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง เ, เดียวกันเหรอครอันนั้นมันเป็นเวรหมายความว่าท่าเราทําดีไปชาัดนี้ที่ไปชาัดน้าดีทําความดีไปเอแต่ตอนที่พระไปะเหยียบหนึง่งพระท่านไม่รู้ตอนท่านไม่รู้ท่านก็เลยไม่ได้แผ่ส่วนกุศลให้มันก็เลยตามไปหน่อย แต่ถ้าหากว่านี่เรารู้แล้วเราแผ่ส่ญนุืส่นให้ก็คงจะเบาคงจะไม่เหมือนพระต่อไปขอเชิญคุณพรทิพนะ์นะครกราบนมัส ก, การท่าอาจารย์ค่ะสิทธิ์มีข้อวามใจอยากจะเรียนถามท่าอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนสมาธินะคะว่าสมาธิมีอยู่สามระดับนะคะคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปมะ อปปมาณะสมาธินะคะอปปนาอปปามาณะสมาธินะคะอปปนาสมาธิคือวันนาสมาธิค่ะคือสิทธ์อยากจะเรียนถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเวลานั่งนั่งสมาธินั้นเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเรากําลังจะเลื่อนจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็จากอุปจารสมาธิเป็นอุปนาสมาธิค่ะแหมเนี่ยถามกลาหน้าไปแล้วแล้วก็จะตอบให้ ขณนิกะสมาธินั่นอยู่ในขั้นปฐมฌานเราก็ทุติฌานเขาเรียกว่าขณนิกะสมาธิเมื่อมีเสียงจามมีเสียงไอมีเสียงอะไรกระทบได้ตลอดเวลาอพอกระทบแป๊บเดียวก็หลุดไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าสงบไปนิดหนึ่งเราก็ถอนขึ้นเขาเรียกว่าขณนิกะสมาธิถ้าอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยตั้งแส ตัติยฌานแล้วก็จตุฌานเป็นอุปจารสมาธิเมื่อเป็นอุปจารสมาธินี่คนไอคนจําไม่กระทบกระเทือนฟ้ารองฟ้าผ่าไม่กระทบกระเทือนอันนี้เขาเรียกว่าอุ ป, อปจารสมาธิอทีนี้ถ้าเป็นอปปนาสมาธินี่จะเข้าฌานไปเลยเขาเรียกว่าอารูปฌานหยิบก็ไม่รู้สึกตัวอ อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้สึกจะอยู่สองวันสามวันก็ได้อันนี้คือลักษณะคณิกะอุปจาระและอัปปนาต่อไปขอเชิญคุณพันนิพาลินปิยะวันกราบมนุษย์การผูาอา์ค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าคนที่มีพลังจิตสูงกว่าสามารถแผ่ให้คนที่มีพลังจิตน้อยกว่าได้ไหมคะอ่าอันนี้ได้แล้วในมุมกับ คนที่พลังจิตสูงกว่าสามารถเอาพลังจิตคนที่ต่ำกว่าได้ไหมคะเอาไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีจะให้เอาขอบพระคุณค่ะ่าต่อไปเขาเชิญคุณพักวิมลวัฒนภูติกล่ามันราชการหลวงพ่อคะ่ะคือตอนที่นั่งสมาธิหน้าก่อนที่จะบริกรรพุโทโธหลวงพ่อให้ ให้ถามว่าใครคือผู้รู้แล้วเราเวลาที่เรานั่งเรายังต้องถามแป้งถามไปเรื่อยๆเลยคะว่าใครคือผู้รู้เนี่ยต <c oughs> <c oughs> ลอดไปเลยเหรอคะคือการถามถึงผู้รู้เนี่ยโดยจุดมุ่งหมายต้องการให้จิตของเรานี่จ่ารึกคือจะรึกไว้ในจิตให้มากเพราะว่าจิตของเรานี่จะเหมือนกันกันกบไอ้กล้องถ่ายรูปพอเวลาเรานึกอะไรลงไปพับนี่มันจะอัดเข้าไปเลย แคตหนึ่งก็อัดสองแคตก็อัดสามแคกกี่ร้อยชัดก็องเพราะฉะนั้นคําว่าใครคือผู้รู้นี่จะต้องถูกจิตเนี่ยอัดเป็นเสียงหรือว่าเป็นภาพไว้ในใจเมื่อพลังจิตของเราทํ า, ทเ า, ทเ า, าเข้าทําเข้ามากเข้ามากเข้าเ อ, อที่จิตที่ได้ฝังเอาไว้อันเนี้ยรวมตัวกันเข้าจะเป็นจุดพลังอำนาจซึ่งจะได้อธิบายต่อไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นการที่ถามว่าใครคือผู้รู้นี่ต้องถามไปทุกครั้งของการทำสมาธิต่อไปขอเชิญคุณพัชรพรลัดดาพงศ์กราบในมรสการพระอาจารย์ค่ะคือถามแทนคนอื่นนะคะว่าเรื่องพระบรมสารีริกธาตุมีคนได้พูดหรือได้คุยในลักษณะวัดเถียงกันหลายครั้งนะคะก็เลยอยากจะถามแทนผู้อื่นว่า ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเวเวลานี้คนได้ปลอมพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอย่างมากนายจนกระทั่งแทบจะไม่รู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงนั่ะอง์ไหนจริงและอง์ไหนไม่จริงพระลักษณะของพระบรมธาตุนั้นอันหนึ่งเหมือนกันกับ มเมล็ดถั่วเขียวอันที่สองนั้นเหมือนข้าวสารหักอันที่สามนั้นเหมือนมเมล็ดงาทีนี้เวลาคนพร่องก็ทําเป็นเหมือนถั่วเขียวจริงๆแล้วก็ทําเหมือนข้าวสารหักจริงๆแล้วก็ทําเหมือนมเมล็ดงาจริงๆก็ในประเทศไทยเราก็เลยเกิดพระบรมธาตุเป็นบาททั้งบาทนะไม่ใช่บาท เงินบาทน้ำบาทพระเนี่ยใส่เต็มเลยอย่างเงี้ยซึ่งบาทาระเต็มเลยเนี่ยความจริงแั้วพระพรมธาตุไม่ได้มีมากเท่านั้นแต่ว่ามีคนมีเป็นบาทบาทอะไรกันก็ไม่ทราบแต่ทีนี้การที่ทราบว่าเป็นของจริงนี้ก็คงจะต้องใช้อาทิษมานกายหรือยานบางอย่างของท่านพุทธที่มียานก็พยายามพิจารณาเอาตามที่ เ ต, ตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมิฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าอันไหนของจริงของปลอมก็ตอบได้แค่เนี้ลูกศิษย์เคยไปที่วัดญาณสังวรนะคะแล้วก็ได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุหลายรูปแบบได้มีพระพูดกันมากมายว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นสีหมายถึงว่าบางองค์ก็เข้าใจว่าเป็นพระอระหรันต หรือว่าไม่เป็นพระอริยะหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะให้ดูจากสีของการที่พระบรมสารีริกธาตุเป็นสีแดงสีใสอะไรพวกนี้แสดงว่าผู้นั้นยังไม่ได้เข้าถึงในลำดับของพระอรหันต์ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดคะขอพระคุณค่ ะ, ะคือว่าอย่างนี้ว่าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยกระดูกท่านก็จะกลับกลายเป็นพระบรมธาตุ อันนี้เป็นมาตามตำนานหรือว่าตามความเป็นจริงของคำภีในพุทธศาสนาที่แสดงเอาไว้แต่ทีนี้คนที่ไปดูหรือไปเห็นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาจจะคนไปเห็นอาจจะเวลานั้นเป็นสีนั้นเพราะว่าถ้าหากว่ามืดมันก็เป็นสีหนึ่งถ้าสว่างก็เป็นสีหนึ่งถ้าถูกสปบอตไล่ก็เป็นสีหนึ่ ง, ลงแล้วก็ถ้าถุ แสงนีออนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้มันจะเปลี่ยนสีไปตามปกติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ดูเท่าไหร่ mm hmm. แต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องพระบรมสารีริกธาตุจะจริงหรือไม่จริง mm hmm. เราก็กราบได้อย่างที่เรากลับพระพุทธรูปอยู่ทุกวันนี้ก็คือทองเหลืองทองแดงแต่ทีนี้เรากลาบนี่เราไม่ได้กราบทองเหลืองทองแดงแต่ว่าเรากลาบพุทธคุณอย่างเรา กล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธปุทวาพุทังพระควรทังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสแต่เราไม่ได้กราบไหว้ทองเหลืองเรากราบไหว้พุทธคุณเป็นตนเอาละต่อไปก็เป็นคุณพัฒนีบำบัดสรมพโรกกราบนมัส ก, การข่าอาจารย์ตอนขณนะนั่งวิสมาธินะคะทาสมาธิเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสิงหาเนี่ยค่ะ ก็ขณะนั่งไปก็มีแสงแว บ, บขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตไฟสว่างขึ้นแล้วก็เออแสงสว่างนี้ไม่บาดตานะคะเป็นแบบเออแสงสว่างเหมือนเหมือนท้องฟ้าที่มีเมฆมีไอลองไอ้น้ําแล้วก็จิตก็เข้าไปอยู่ในนั้นเออแต่ว่าก็มองหาตัวเองไม่เจอก็มองดูมือก็ไม่ไม่เห็นมองดูเท้าก็ไม่เห็นจิตก็เลยออกมาก็เลยลืมตาอยากจะให้พระอาจารย์พิจารณาค่ะ อ่าอันนี้ก็คือจิตเขาเราะวังแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นแต่ว่าจิตในขณะนี้ก็คงจ อ, อ, อยู่ในขั้นวัดผมวิชานทุติยชานอะไรอย่างเนี้ยก็แสดงว่าจิตเป็นสมาธิแล้วแล้วก็เกิดกระแสขึ้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามนิมิตก็ถือว่าเป็นนิมิตส่วนว่า การทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายคือพลังจิตต่อไปก็มาถึงพี่ชัยรักการค่านะทีนี้ครับนมัตการท่านอาจารย์เศจษฐยเรียนถามว่าเคยเห็นเวลาไฟไหม้เนี่ยบางคนเนี่ยมีกำลังยกของเนี่ยเป็นกำลังมหาศาลมากซึ่งเกินกว่าคนปกติจะยกได้กำลังแลดังกล่าวนี่คือที่เรียกว่ากำลังแสงใช่หรือไม่และกาลังแสงจะต่างกับ ทางจิตอย่างไรในขณะที่เกิดความตกใจสุดขีดอันนั้นเรียกว่าจุดพลังอำนาจในขณะที่ตกใจสุดขีดนั้นนะบุคคลผู้นั้นได้ถูกล่างกายหยาบเนี่ยหมดความรู้สึกไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลือความรู้สึกสามสิบเอร์เซ็นตและในขณะนั้นจิตมันเข้าไปสู่จุดพลังอำนาจโดยพลัน เมื่อเข้าไปสู่จุดพลังอำนาจแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นทันทีแบกข้าวร้อยร้อยกิโลนี่ยกขึ้นไปสบายแต่พอเวลาที่พอไปพอหมดความตกใจแล้วความรู้สึกของร่างกายนี่ก็กลับคืนปกติยกไม่ไหวแล้วจุดพลังอำนาจอันนี้ละที่หลวงพ่อกำลังให้ผู้เรียนสมาธิทากันเดินทางไปสู่จุดพลังอำนาจอันนี้ และไม่ต้องไปถึงเวลาตกใจแล้วค่อยไปถึงจุดพลังอำนาจอันนี้แต่ว่าเราไปถึงจุดพลังอำนาจอันนี้ด้วยสมาธิเมื่อถึงพลังอำนาจอันนี้ด้วยสมาธิเราจะทำเมื่อไหร่มันก็มีให้พลังอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็คงจะอธิบายมาหลายครั้งแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าจุดพลังอำนาจมีอยู่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราทำสมาธิเราทำครก ถึงจุดพลังอํานาจอันนี้ก็จัดได้จุดพลังอํานาจอันนี้เป็นพิเศษต่อไปขอเชิญคุณพิชัยรักการค้าบกับนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากเรียนถามว่ากายทิพย์มีคุณประโยชน์อย่างไรครับและอยากทราบว่าวิชาหายตัวปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าครับ อ, อกายทิพย์มีประโยชน์ในเมื่อ เรานอนหลับเนี่ยเราจะไปอยู่ที่กายทิพย์คือเราไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เวลาที่เราหมดความรู้สึกของกายอยาบนี่เราก็ต้องไปอยู่ที่กายทิพย์เมื่อเราไปอยู่กายทิพย์มันก็ได้แรงมีความกระชุ่มกระชวยมีอะไรต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ น, นอนหลับลนะเรานั่งสมาธิแต่เราเข้าสู่กายทิพย์ได้ก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าที่เราไป มีความสุขในการที่เรานอนหลับเพิ่มความสุขขึ้นและถ้าหากว่าผู้ที่มีถึงจุดพลังอำนาจแล้วเนี่ยก็สามารถสัมพันธ์กับกายทิพย์แล้วก็รักษาโรคปั้ทำเลิบอะไรต่างๆได้บัง้งแต่อย่างนี้มันเป็นเรื่องของกายทิพย์เ่วนการหายตัวได้หรือไม่นั้นอันนี้ยังตอบไม่ได้บางคนเนี่ยอยากจะถือว่าหายตัวได้ เขาก็ไปอยู่ในโอง่งเา้าเรียกว่าโอง่งแดงทีนี้อคนที่เข้าไปว่าเอ๊ะอาจารย์เมื่อตะ ก, กี้ก็เห็นอยู่นี่หายไปไหนล่ะพอเขาไปแล้วแค่เขออกจากโอ่์แดงแล้วก็มานั่งอ้าวเมื่อกี้ไม่เห็น น, นี่มาจากไหนเฮ้ยฉันจะหายตัวเมื่อไหร่ก็ได้แท้ที่จริงน่ะไปอยู่ในโอค์แดงก็ <c oughs> เลยคิดว่าในปัจจุบันนี้ ยังไม่เห็นว่าใครหายตัวได้ก็แต่วิชานี้ก็คิดว่ายังต้องมีทีนี้ต่อไปก็ขอเชิญสุดท้ายนะคุณพิพัฒน์งลำเลิศกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับขอเรียนถามพระอาจารย์ว่างานพุทธาพิเศกนี่เขาใช้จากจุดพลังอำนาจหรือเปล่าครับอพุทธาพิเศษนี้เขาเรียกว่า สมาธิภาวนาสมาธิภาวนาคือการสวดสวดเป็นพุทธาพิเศกแล้วก็สวดไปแล้วก็มีการทําสมาธิไปแต่ส่วนผู้ที่ไปนั่งปรงบ้างหรือว่าไปช่วยการทําพิธีบ้างท่านเหล่านั้นไม่แน่ใจว่าท่านถึงจุดพลังอํานาจหรือเปล่าแต่ยังไงเสียท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงพอสมควร ก็อาจจะถึงจุดพลังอำนาจได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อพระเขาสวดลงไปแล้ยวยี่กับคาถารือวยี่ก่าพุทธคุณอะไรเหล่านี้มันก็มีพลังเหมือนกันที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอันนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในความเชื่อของบุคคลแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีอยู่ในตัว อันนี้ก็คงตอบได้ตอนนี้ขอบคุณครับก็คงจะจบกันเพียงตอนนี้วันนี้